ลักษณะที่บอกคืนสิกขาแล้วไม่เป็นอันบอกคืน54ภิกษุทั้งหลายอย่างไรชื่อว่าไม่เป็นการบอกคืนสิกขาคือภิกษุผู้วิกลจริตบอกคืนสิกขาด้วยคําที่เป็นอาการเป็นลักษณะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ตามที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้บอกคืนสิกขากันย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุปกติบอกคืนสิกขาต่อหน้าภิกษุ ผู้วิกลจริตย่อมไม่เป็นอันบอกเคืองสิกขาภิกษุผู้ม <ain> ีจิตฟุ้งซ่านบอกเคือนสิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกเคืองสิกขาภิกษุบอกเคืองสิกขาต่อหน้าภิกษุมีจิตฟุ้งซ่านย่อมไม่เป็นอันบอกเคืองสิกขาภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนาบอกเคืองสิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกเคืองสิกขาภิกษุบอกเคืองสิกขาต่อหน้าภิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนา ย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุบอกคินสิกขาต่อหน้าเทวดาย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาพิกษุบอกคืนสิกขาต่อหน้าสัตดิเรชนย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุบอกคืนสิกขาต่อหน้าชาวมิขะด้วยภาษาชาวอริยกะถ้าเขาไม่เข้าใจย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุบอกคืนสิกขา ต่อหน้าชาวอริยกะด้วยภาษาชาวมิลกขะถ้าเขาไม่เข้าใจย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุบอกคืนสิกข so าต่อหน้าชาวอริยกะด้วยภาษาชาวอริยกะถ้าเขาไม่เข네้าใจย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุบอกคืนสิกขาต่อหน้าชาวมิลกขะด้วยภาษาชาวมิลกขะถ้าเขาไม่เข้าใจ ย่อมไม่เป็นอันบอกเคืนสิกขาภิสษุบอกเคืนสิกขาโดยพูดเล่นย่อมไม่เป็นอันบอกเคืนสิกขาภิสษุบอกเคืนสิกขาโดยพูดพลังพลาดย่อมไม่เป็นอันบอกเคืนสิกขาภิสษุไม่ประสงค์จะประกาศแต่ประกาศให้ได้ยินย่อมไม่เป็นอันบอกเคืนสิกขาภิสษุประสงค์จะประกาศแต่ไม่ประกาศให้ได้ยินย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุประกาศ แก่ผู้ไม่เข้าใจความหมาย ย, ย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุไม่ประกาศแก่ผู้เข้าใจความหมายย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุไม่ประกาศโดยประการทั้งปวงย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ชื่อว่าไม่เป็นอันบอกคืนสิกขา